ก่อนโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายกา ร, รมายายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องวนโรประสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่ากรามีการรณรงค์เรื่องป้องกันตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกป่ากัน ว่างควางทางราชการเองก็ต้องการที่จะให้คณะสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกป่าและก็รักษาป่าเราขอให้มีการค้นคว้าหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องด่านี้ก็เป็นการสนับสนุน ให้ประชาชนได้เกิดศรัทธาประชาธาที่จะทำงานในผลหลายด้านอันที่จริงพุทธศาสนากับป่านั้นมันมีความผูกพันกันเราจะเห็นว่าพระเจ้าประสูติสรุตแสดงมาถมมเทศนานิพพานกับป่าทั้งนั้นและวัดว่ารามก็เป็นวัดป่าออกวันวัน หรือการบำเพ็ญกุศลในลักษณะที่เรียกว่าปลูก ป, ป่าเนี่ยที่ค่อนข้างเด่นชัดก็คือพระพุทธธรรมรัสที่เราสั่งแก่เทวดาตนหนึ่งซึ่งมากราบทูลถามในเทวตาสังยุตเราพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าดีคำถามเนี่ยมันมันแคบคือคำถามไม่กว้าง วันนี้ตอบก็ตอบตามกรอบ ท, ที่ท่านถามแต่ว่ามีการอาธาิบายในแนวแนวการปฏิบัติและผลที่สืบเนื่องมาจากการการปฏิบัติเราทำให้เรามองเห็นกระบวนการของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจคนแล้วเมื่อลงมือกระทำแล้วมันก็สัมผัสผลในขนาดนั้น ก็มีฉันเท่าอุสาหะที่จะทำต่ อ, ตอไปเป็นการเพิ่มภูนบุญกุศลของตนให้สูงมากยิ่งขึ้นข้อความในประสูตร์นั้นในเทวตาสังยุตย์อย่างที่เราเคยพบมาหลายๆสูตรมันจะมีข้อความสั้นๆเทวดานั้นจะมาเฝ้ารู้เจ้าในเวลาเที่ยงคืนแต้คนก็หลับกันหมดแล้วนะคะ ก็ทำระเชตวันทั้งปวงหรือสถานที่พุทธเจ้าสุประทับไปสว่างหรือจสมีของตัวเองหรือเมื่อเข้าเว้าก็จะยืนอยู่ที่ทสุดส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมแล้วก็กราบทูลถามปัญหาพะรับสั่งตอบจบเทวดาก็อันตรฐานไปเกียกอมาถึงก็โผ่พรวดเข้ามาแล้วก็ถามปัญหาถามถามถามจบ พอตอบเสร็จก็อันตรธานไปเพราะนั้นก็ความมันจะสั้นๆบรรเไปโดกบางทีหน้าหนึ่งก็บีตั้งสองสามสูตรจะเรียกเป็นคาถาในสกาทวักคือวักที่ว่าโดยคาถาล้วนๆในสังยุตติกายตอนตอน้ตนๆไปตั้งแต่เล่มสิบห้าไปเล่มนี้ก็อยู่ในเล่มสิบห้าถถามว่าชนพวกไหนมีบุญ จเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันจนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สวรรค์คือถามถึงคนสองกลุ่มนะฮะกลุ่มที่จะอยู่ดีมีสุขตลอดทั้งกลางคืนกลางวันมาความมีบุญ บุญตรงนี้เป็นการพูดบุญที่เป็นส่วนผลมาความบุญในระดับพี่เรเสวยบุญเรียมนมวยผลให้เป็นสุขในชาติปัจจุบันคือมีความสุขความเจริญอยู่ทั้งทุกกาลเวลาเกิทั้งกลางคืนในกลางวันแล้วก็บุญในรูปของการพัฒนาบุญหมายความเมื่อเราเริ่มบุญจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้ว เพื่อทำให้มีการพัฒนาการทางจิตคือท่านตั้งอยู่ในธรรมกว่าในระดับที่ศีลสมบูรณ์คือจนมีศีลสมบูรณ์หมาความเพิ่มพูนบุญที่เป็นส่วนเหตุขึ้นโดยการอยู่อย่างมีธรรมะก็ไม่ได้พูดสูงเท่าไหร่นะับพูดระดับที่ศีลสมบูรณ์ เป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาแล้วก็พูดถึงบุญที่เป็นส่วนผลซึ่งจะส่งไปให้บังเกิดในสุค ต, ติก็ต้งลงมาสามตอนนะนะพูดบุญส่วนผลเรียบ ม, มวยสุขในปัจจุบันพูดบุญส่วนเหตุที่เพิ่มภูนบุญขึ้นในชาติปัจจุบันแล้วก็บุญที่เป็นส่วนผลที่ ช่วยบุคคลเล่านั้นไปบังเกิดในสุกติพระเจ้ารับสังว่าชนเราได้สร้างอารามคือสถานที่เรื่นรมเราเช่นว่าเราเรียกวัวดเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่าอารามอารามก็คือสถานที่ที่เรื่ดรมเข้าไปแล้วสบายใจเยือกเกินใจโปร่งใจเบาใจอย่างที่ ท่านพานาไว้ในนิราชนรินที่ว่าสภาพของวัดเนี่ยเรืองเรืองไตรรัตน์พันแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเช้าเจดีระดาแสงเสียดยอดยนต์ยึงแสงแก้วก้าวแ ก, วแกล่าหลากสวรรค์เป็นการพูดถึงาศาสนสถานความสวยงามของาศาสนสถานแล้วก็ภารกิจของาศาสนบุคคลที่กระทาภายในวัดคือาศาสนสถาน แล้ก็บัรยายภาพวาดไว้ในบทต่อไปว่าโบทระเบียงโมดพื้นไฟหารธรรมาสลาลานพระแพวออสไซนะคังขานพ า, ายข่าไขกทีปไขประทีบโค่งแก้วกำคว้าเปื่นจันมันเป็นอารามมนุษยรมมันสงบมันเรียกเจ็นเพราะอารามในที่นี้ก็คือการที่ เราปรุงแต่งขึ้นเราสร้างขึ้นเพื่อเกิดความรื่นรมเราเน้นไปที่สวนไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลเราสร้างไปรูปของสวนไม้ดอกไม้ผลขึ้นเป็นสถานที่ที่ให้ความรื่นรมแล้วก็ปลูกหมู่ไม้หรือต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาคือในสถานที่นั้นๆ และในขณะเดียวกันก็สร้างสะพานแล้วก็มีบ่อน้ำสมหรับอาบมีบ้านมีที่พักสมหรับอาศัยส่วนเหล่านั้นจะมีบุญแล้วก็จเจริญอยู่ในการทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันกันนั้นตอนนี้ ท่านสาวชนท่านหลาจะสังเกตได้ว่าเทวาดาถามบุญผลนะฮะบุญที่เป็นส่วนผลแต่ผลมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปตั้งที่เหตุคือบุญที่เป็นส่วนเหตุในที่นี่ทรงยกเอาการสร้างอารามคือไม้ดอกไม้ผลก็เพื่อได้ สบายนะฮะได้สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่สบายเรียกว่ามีใจรุดรมท่านหลายคงคงเคยได้ยินตามตามปกติแล้วในในสังคมไทยเราที่เราใช้เราใช้พูดเผยแผ่กันมากเวลามีการสร้างเนาสนะหรือสาารณสถานศาสนสถานต่าง พระจ้ในบนพระมเหสแสดงอนิสงส์อนิสงส์ที่นำมามากก็คือเรื่องเรื่อ ง, องมขมะนกในพระธรรมบมเป็นการเล่าถึงอดีตประวัติของเท่าสกเทวราชในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ามากว่ามาพระอินที่ร่วมสมัยกับพระุทธเจ้าก็หมายความว่ า, าท่านท่านคงจะอยู่มาถึงเดยอเนี้นะ วายุเทวดาเขาก็มาก็กมาจากมานุษย์คนหนึ่งที่มีใจรักสังคมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมก็เริ่มต้นโดยการแพ้าถางถนนน้นทางต่างๆเพื่อให้ไปไหนมาไห น, ไหนสะดวกสบายเพื่อเข ก็เห็นข้าวก็ชอบใจวเข้าวรวมกลุ่มกันบาเพ็ญสาธารนณะกุศลสาธารณประโยชน์สามในสามท่านแล้วความคิดมันก็เลยไปว่าเมื่อคนมีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วมีถนนน้นทางสมหรับเดินไปไหนมาไหนแล้วมันก็น่าจะมีที่พักมีน้าท่าสมหรับดื่มมีที่พักอาศัย แล้วก็มี ส, สาร้างศาลาขึ้นโดยภูกระดานกระดานนะฮะกระดานสามสาแผ่นคงก็ใหญ่กระดา น, น, นให ญ, กกใหญ่ก็เรียกว่าเพื่อนเนี่ยภูกป็นคนละแผนคือมีข้อแม้ว่าแขกที่มานั่งพักบนศาลาเนี่ยไปนั่งบนกระดานแผ่นของใครคนนั้นจะต้องรับผิดชอบดูแลจะใส่ให้อาหาร แ่คนเหล่านั้นแกแขกที่มาพักเนี่ยแต่ว่าแกเป็นเป็นการทำบุญที่มุ่งพรมโลกครนี้เลยตั้งข้อรังเกียจไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมแต่เรว่าทำกับผู้ชายล้วนนะ3ะสามนสามคนมาข้ามานพเขามีปัญญาอยู่สี่คนต้องการมีส่วนร่วมแต่ว่าแกก็ไม่ยอม ว่าปัญญาคนหนึ่งชื่อนางสุธรรมาเขาฉลาดเขาแอบติดต่อกับช่างไว้ให้ชื่อทำเช่าฟ้าให้เช่าฟ้าซาลาหลังนั้นน็ะเาทำเก็บไปพอถึงคราวเสร็จปรากฏว่ายังไม่มีเช่าฟ้าถึงเวลาจะสองลองแล้วก็ให้ช่างเ็าทำช่างบอกถ้าทำเนี่ยมันต้องเสียเวลานานมาก ทรายไม้แห้งแล้วก็เก็บไว้นานแล้วก็ตกแต่งแช่น้ามันอะไรต่างๆก็ว่าก็ตกลงว่าที่บ้านใครมีเช้าฟ้าก็ขอเลยขอก็มาแล้วกันซื้อก็มาแต่ปรากฏว่าที่บ้านนางสุธมานี้มีแต่นางสุธมาไม่ขายขอไม่ส่วนแบ่งขอส่วนร่วมในการทําบุญพวกนี้เมื่อก่อนไม่ยอมนะฮแต่นายสร้างก็อธิบายใฟังว่า ในโลกมนุษย์เนี่ยนอกจากพรหมโลกแล้วไม่ที่ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีผู้หญิงหรอกมันมีทั้งนั้นแหละเพรเมื่อท่านทำบุญไปสวรรค์สวรรค์มันก็ต้องมีเ ท, ทธิดาก็ะลงก็ร่วมนะอะไรรวมผู้หญิงก็ร่วมคนเนี่ยทีนี้อีกอีกคนหนึ่งชื่อนางสุจิตราซึ่งท่านไม่ได้คิดมาก่อนแต่ก็เห็นว่าคนมาพักในสระแล้วไ ม, ม่ควรจะได้พักผ่อนเดินพักผ่อนเดินใจตามสวนก็สร้างสวนขึ้นมาใกล้ใกล้สระ ไม่ใช่ใกล้ใกสลาปัญญาคนหนึ่งที่นางสุนันทาก็เห็นว่าไอ้คนที่มาพักทิศาะแล้วต้องควรจะมีได้อาบน้ำดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนอในสวนมีเดียวมีแรงเลาก็จึงจะไปแลวก็ตัวเองก็สร้างสากขึ้นแต่คนหนึ่งไม่ได้สร้างะฮะนางสุชาดานีไม่ได้ร่วมสร้างเพราะเราจะเห็นว่าเรื่องตรงนี้ที่นา ม, มาเล่ากันมา เพราะว่าตรงนั้นเป็นกุศลสาธารณะแล้วก็ไม่ได้ทำกีดกพ้ะอะไรนะฮะหมายความว่าเป็นยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคนเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเจตนาเขาเองมีกุศละเจตนาเองและเมื่อท่านเหล่านั้นตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในดาวบนตึ ถือมาความเป็นเท้าส ก, ก่าองค์ที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะะไม่ไม่ใช่ว่าองค์ก่อนๆโ น, น้นองค์ที่ร่วมสมัยพระพุทธเจ้าก็มีประวัติความเป็นมาอย่างนั้นแสดงเห็นว่าด้วยกุศลและเจตนาในการสร้างสาวนางสุธรร ม, มาซึ่งเกิดเป็นเทพธิดาก็มีศาลาสุธรรมมา นางสุจิตราก็มีสระบกรณีไม่ใช่มีสวนชื่อว่าสุจิตรานางสุนันทาก็มีสระที่นันทวันก็เราพูในวันนคดีเราแย่นะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเข า, าไม่ได้มองในแง่การปลูกป่า่าไรเวลา น, นี้ก็พยายาม ที่จะหาข้อความตรงนี้มาเผยแพรกกันก็เห็นว่าก็น่าจะมาศึกษาตรงนี้ว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นบุญเพราท่า น, นันหลายจะเห็นว่าบุญในส่วนของทานเนี่ยจะแน่็ท่านมาค่าธรรมมันมันเป็นกุศลเจตนาที่รักมนุษยชาตออิสิ่งที่จะทำจะหนักไปในทางอุปโภคคือใช้สอย เป็นดนนน้ำทางเ ป, เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักผ่อนหลับนอนระยะสั้นๆนะฮะคือศาลาหรือว่าสวนเองมันก็เป็นที่พักผ่อนระยะสั้นๆเป็นอุปโภคการซัดก็เป็นที่พักผ่อนระยะสั้นๆเป็นแนวของการให้ผ่านซึ่งมันมันมันปลายไปยุติเหลักของฐาน อย่ที่เคบอกให้ฟังว่าอะไรละ่ะที่พี่เราพูดเรามักท่านเท่าใดมกากตนเท่านั้นเนี่ยคือเราให้อะไรมัน ก, ก็ได้สิ่งนั้นในคําสอนเหล่านี้เราพบตั้งแต่ตอนต้นๆที่พระเจ้าจสรุปใหม่ๆตอนที่ทรงสอนพระเจ้าพิมพิสารตอนให้ทานแก่เปรตทึ่เป็นพญาติพระเจ้าพิมพิสารการถวายพระเวรุวันครั้งแรก ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีคำสอนระดับให้ทานอุชิตกุศลนะฮะ mm. พระพุทธเจ้าสอนนุ้นุปวิกถากาญารรสัตตสีไม่ใช่การเป็นการพูดถึงทานแต่พูดทานเรื่องอืง่นไม่ได้พูดทานแบบทักษินานุปทานหรือว่าอะไรรับปุพพะเปตะภลีนะฮะคือการทำบุญอุชิตแก่ผู้ตายผู้เปรดซึ่งเป็นอดีตญาต ก็แสดงตัวยิวโหยร้องโกม ร, ร้องไห้แสดงความเสียหสีใจพระเจ้าปิมิสารเกิดสงสัยก็มากราบส่นถามพระเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งล่าใหฟัง่า พ, พวกเปรตตอนนั้นรอคอยทานอุชิตของท่านมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยทำบุญเราก็ไม่รู้กุศลส่งไปให้เขาเขาไม่ได้รับรเขาก็เสียใจเขาก็แสดงตัว พระเจ้าปิมินทร์สารกราบทูลถามว่าถ้าวันนี้ท่านทำบุญเนี่ยก็จะได้รับหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าได้รับท่นานทำแล้วก็ทำเป็นข้าวปลาอาหารนั่ไหรบมันก็เป็นการให้กำลังแก่เปรตแต่ปรากฏว่าเปรตเหล่านั้นก็ปรากฏ ร, รูปร่างหน้าตาสวยงามขึ้นนะฮะแต่ไม่มีผ้านุ่งผ้าคลม ก็กราบประทุนถามพระเจ้าอีกพระเจ้ารับสั่งว่าเพราะาไม่ได้ถวายผ้าเป็นฐานหรือไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนที่เป็นผ้าไปให้เปรตกย็ยังยังไม่มีผ้าจันทุนท่าก็ต้องถวายผ้าสบงกีวรนเต่าตีหาทั น, นนะเนี่ยนะฮแก่พระเจ้าพระอาหารหันต์ตรง น, นั้นพระอรหันต์ล้วนนะฮะยังยังไม่มีผู้ตุชนเลยแล้วก็อุทิศกุศลไปใ ห, ให้แก่เปรตเปรตก็ หมดกรรมซึ่งนวงเหนียวอยู่นานก็กลายเป็นเทพบุตเทพธิดาที่มีทิพย์ยะอภรร์ประดับประดาสวยงามนั่นเราเห็นว่าพวกนี้มันเกิดจากผลการอคิตล้วนแต่ว่าอนุมโมทนาด้วยนะะมายความว่าเปรตที่เป็นอนดีตญาติของพระเจ้าปิมิสาท่านอนมโมทนาด้วยแม้ก็ตรงกับหลักที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าการให้ข้าวน้าเป็นการให้กำลัง เปรตซึ่งอดจากหิวโหยทุกทรมานมาเมื่ออุจิตเข้าวน้ําไปให้แก่ก็มีร่างกายแข็งแรงกับปรี้กเปล่าสวยงามขึ้นแต่ก็ไม่มีผ้าหน่งการให้ผ้าเป็นการให้ผิวพัรรณเป็นการทําให้มีเครื่องนุ่งเครื่องผมเครื่องไก้สอยไม่ขาดตกบกพร่องการนาณเป็นการให้ความสุขการให้ประชีพ ในไฟนะฮะเราชื่อว่าให้ดวงตาคือให้จากสุขดีปโดโฮติจักคูดโดคือการให้ประชิบก็เป็นการให้ดวงตาให้จากสุขเพราะในในการณีนี้มันก็ตรงกันตรงนี้เป็นลักษณะของเสนาสนาทานซึ่งมันไปอยู่ในตอนตอนช่วงที่สามบรทัดที่สามบรรทัดที่สามที่สี่ของของคาถาบทนี้นะฮะ ที่สนายคำว่าโซโยจะโซจะสปารโดาโดโฮติโย ด, ดาติอุปศิยงบุคคลใดให้ที่อยู่อาศัยคือหมายความอุปโภคอุปูโภคเครื่ อ, ปปองใช้สอ ย, ท, ย, ย ท, ที่ควานัดโจข้างทุธาอะไรแต่างๆชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการการปลูก ป, ป่าเพื่อเจตนาให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ควานัด สวนเป็นอะไรก็ตามเป็นโบราณประเพณีที่ทํามาตั้งแต่โบราณประวัติศาสตร์รู้ศาสนาของเราเนี่ยอิสิปัตนาเองที่สารณาที่ท่านไปท่านทั้งหลายไปที่ไปเดียวที่ไปสารณาดนะฮะสารนานั้นถ้าดูประวัติแต่มันโบราณมากมันอยู่ในนิโครไปชาดก เป็นเรื่องนอกพุทธสมัยในสมัยที่พระโพธิสัตว์ยังสวยพระชาติเป็นพญาเนื้อหนีโครดเลยแล้วก็ทําให้ป่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อภัยแก็เนื้อหมายความว่าตรงนั้นใครจะฆ่าสัตว์ไม่ได้สัตว์เล็กือสัตว์ใหญ่ก็ตามคือฆ่าไม่ได้เป็นป่าที่ให้อภัยเก็สัตว์ที่เสนเดียวอิสิปัตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษี มฤกทายาวันเป็นบ้าแปล ว, ว่าให้อภัยแก่เนื้อแล้วความมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเหตุการณ์สานาดก็เป็นที่พึ่งของกวางไงนะฮะแปลว่าเป็นที่พึ่งของกวางมิจีนใส่ของกวางโดยเฉพาะมฤกทายาวันเนี่ยได้เกิดขึ้นจากพระเจ้ากรุงพาราสีเกิดเรื่องใสในพยานเนาคนิโครที่ช่วย สละชีวิตตัวเองเพื่อป้องกันเนื้อแก่เนื้อที่มีคันแก่ตัวหนึ่งไม่ให้ถูกฆ่ารอให้คลอดลูกซสียก่อนทำให้เกิดสรทาเริ่มใสแล้วก็ราชธานอภัยคนก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาจนต้าเท่าถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คงจะย้อนหลังไปหลายพันปีไอ้นี้นี่คือคือถือว่าเป็นเป็นจารี ที่ยึดถือการอย่างมั่นคงในสังคมสัมคงคมอารยันแล้วก็แม้แต่แม้แต่พระเวรุวันเองนะฮะพระเวรุวันที่เป็นอาราแห่งแรกเเรียกกัลันเดียวกะในว่าป่าสถานเป็นที่ให้เหยือ่อแก่กระแต่กระแต่ น, นี้ได้ร้องขึ้นเมื่อประราชาชนไปบรรทมหลับอยู่ในป่าแล้วก็ป้องกันอันตรายจากงูได้ถ้าเกิดสนมึกคุณ ตนุคุณของกระแตตัวนั้นแต่ก็ให้อภัยให้อาหารแก่กระแตในในป่านั้นทั้งหมดนะ่ะไม่ใช่ตัวเดียวแล้วกลายเป็นป่าที่สืบต่อมาถึงสมัยพุทธเจ้าเองก็ได้เข้าไปอยู่อาศัยก็เป็นสภาพป่าอยู่ก่อนต้นไม้จึิงได้รับการคุ้มครองในพระพุทธศาสนามากหลังจากที่พูดถึงการปลูก เราเห็นว่าวินัยของพระเนี่ยการฆ่าสัตว์ดีเลสานกับการตัดต้นไม้มีบาปเท่ากันนะนะสําหรับพระแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดกับชาวบ้านชาวบ้านจะพูดแนวสอนแต่พระนั้นจะมีทั้งแนวธรรมะแล้วก็แนววินัยพระตัดกิ่งไม้เนี่ยฮะกิ่งไม้อะไรกิ่งไม้ดอกไม้ใบไม้ถึงใบขาดไปเดียวนะฮะก็เป็นนบัติ เทากับการตบยุงตัวหนเพราะฉะนั้นท่านทาั้งหลายจะเห็นว่าเอ ก, กุติบางกุติต้นไม้เลื้อยก็ไปเลยทําไมผ้าไม่ตัดมันตัดไม่ได้เพราะนอกจากคนอื่นช่ตัดได้เอราตัดเองไม่ได้วินัยก็ห้ามไว้ทีนี้ในแนวที่จะการอนุรักษ์เราจะเห็นว่าจะสอนไว้หลายแนว คือสรุปแล้วว่าเป็นแนวที่ให้เกิดอาการการนรักป่าไม่ทำลายต้นไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารหรือต้นไม้ไดก็ตาม น, นะแต่จะเป็นแนวการสอนในสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้แนวกลัวนี่เยอะแนวให้เกิดความกลัวหรือแนวให้เกิดความนับถือแนวเกิดความสนุก ค, คุณน่กะกตัญยูวัตเวที แนวครัวก็คือต้นไม้เป็นที่สิงสถิตของเทพดามีเทวดาสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้แต่บาทีก็ดูบคงทีก็ใจดีนะฮะใจดีก็หมายความว่าเราเรารักษาต้นไม้ในฐานะที่เทวดาเป็นมิตกรกับเราคืออุปราคคุณสํานึกคุณในกรณีที่ดุเป็นะเจ้าแม่ตะเกียนพองอะไรเลยซึ่งจริงๆมันดีนะฮะ ทำให้เราเกิดการรบน้องถือการรบต้ถือป่าป่าต้นนั้นไม่กล้าไม่กล้าล่วงเกินเพราะความกลัวบ้างไม่กล้าล่วงเกินเพราะว่าสำนึกคุนบ้างเราจึงพบพบระพุทธศ า, าสนาสุภาษิตที่ว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะพูดประทุสรายมิดนั้นเป็นคนเลวในความไงหมายความว่าให้เรามองต้นไม้นั้นคือมิดที่เคยอุปการะแก่เราปิดบังแสงแดดให้ปิดบังฝนให้ให้ความอบอุ่นความปลอดภัยแกเราช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยฮะนั่นคือมองในแนวสมนุคุณ สมรรคุณต้นไม้สมุรคุณทั้งป่าไม้เหล่านั้นทีนี้บางบางทีก็สอนในเรื่องของเหตุผลคือการใช้เหตุผลไม่มีการปฏิบัติการอะไรที่เป็นการทำลายล้างต้นไม้เช่นว่าไปทำสิ่งศกปลกลงใน ตรงในพวกปลูกป่าไม้พวกพ ว, ก ว, ก ว, กวกต้นน้ําลําทานพวกลำคลองอะไร ต, รต่างๆอันนี้นี่พระจะพูดเป็นวินัยหรืจะมีข้อห้ามในทางวินัยคือไม่ให้คนไปกระทำแล้วเช็นว่าแนวแนวเ่าเนี้ยแต่ละแนวนี่มันมันเป็นการช่วยให้คนเกิดจิตสํานึกที่จะปลูกป่าที่จะอนุรักษ์ป่าที่จะไม่ตัดทําลายป่า แล้วบางทีก็สอนป่าในแนวในแนวให้เห็นว่ามก็รกคือไปไหนมาไหนตำบาสเส้นแนววิสุทธิมรรคกันฮะแนววิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเนมันเกิดจะพาจิตวิสุทธิมรรคเล่นเบลล์น์นะฮะถ้าอ่านจบก็เก่งอย่งอย่างญโยมหรือชาวบ้านหรือพระเราก็ตาน ะ, ะอ่านวิสุทธิมรรคเล่นเดียวออกข้าใจเลย ก็เก่งจะได้หลักในที่สมมูรนะฮะหมาสความพูดใจติดไปติกขาสินสมาธิปัญญาเพราะันเกิดคำถามในเทวตาทั้งยุทเหมือนกันเทวตาถามว่าในโลกนี้มันรกชัดรกทั้งภายในรกทั้งภายนอกแล้วใครจะสางรกชัดตอนนี้ได้ คำว่ารกชัดในที่นี้เป็นป่ารกนยฮะมันเทียบแต่หมายถึงรกด้วยกิเลสเอากิเลสที่เปรียบเหมือนป่าเพราะงั้นเวลาพระเจ้าสอนในเรื่องเหล่านี้ที่สูตรต่างหลายเธอจงตัดป่าจึงทําลายป่าแต่อย่าตัดต้นไม้อย่าตัดต้นไม้ให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้หมายความป่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้นะหมายถึงกิเลสแปลว่าเทียบ เชื่อไปเห็นว่าพรกป่าสมัยวุฒิการมันง่ายบ้ากเนี่ยป่าดงดิบป่าทึบเลยเดินเหนินลําบากไปไหนมาไหนลําบากมันก็สอนได้เพราะฉั้นโรชายโ อ, อป่าเนี่ยเข้ามาใช้เยอะเลยในการสอนในการอยู่อาศัยนะพวกทุ ด, ดงอยู่ป่าเป็นวัดอะไรอะไรเนี่ยเป็นการแนวอนุรักษ์แล้วพระเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนที่จริงเราไปทําลายอะไรไม่ได้นะเพราะวินัยมันห้ามไว้ และถ้าต้นไม้ที่เขาหวงแผนไปทําลายก็ถือเป็นอตินนาทานนอกจากปรับประจิตตีที่ว่าแล้วนะฮะยังถือเป็นอตินานาทานการทําลายทรัพย์สินค่อยเสียหายเป็นแนวที่ที่ช่วยในการุรักอย่างดีอุบายวิธีเหล่านี้ในปัจจุบันนี้มันพูดยากแล้วก็ยากที่จะต่อต้านยากที่จะ พอท่าแก้ปัญหาหลักนี้เราจึงมีข่าวการตัดไม้ทําลายป่ากันอย่างรุนแรงด้วยคุณจนนึกไม่ออกนะฮะว่าในยะต่อไปก็คงไม่มาไม่นานนะสิบกว่าปีเนะี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสภาพความผันผวนของอากาศสภาพแวดล้อมเรื่องต้นไม้เรื่องฝนเ ร, งเรื่องน้ําอะไรต่ออะไรมันจะเป็นยังไง ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่น่าหัวหลักเหล่านี้ที่จริงท่านท่านแสดงไว้ทต่นั้นทีนี้การกระทําทั้งหมดเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นเรื่องของกุศลและเจตนาต้องการจะให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคคือใช้สอยร่วมกัน ของคนน่ารักไม่ได้ ม, มุ่งไปเฉพาะเฉพาะส่วนในส่วนหนึ่งก็ตัวเองเป็นกุศลนะฮะเป็นกุศลแลเจตนานเป็นความบพลิดเพลินแต่ชนเราใดให้โรงน้ําเป็นฐานหมายความว่าเป็นน้ําอาบน้ําดื่มนะฮะน้ําอาบน้ํำดื่มก็แสดงว่าเป็นกุศลและเจตนาเันเดียว ของการที่จะให้คนได้อาบได้ดื่มได้ใช้สอยซึ่งกติไทยเราได้นำมาใช้สมัยโบราณที่ว่ามีบ่อน้ำมีตุ่มน้ำในหน้าบ้านมีภาชนะสมบัติน้ำดื่มเคนเดินทางไปไหนมาไหนได้ดื่มเราเคยพื้นหวาทีหนึ่งตอนไรพนเอกพันเอกะก เอกเสนอผู้เรื่องคาบุญไม่ได้ถวายน้ําอะไรต่ออะไรเนี่ยยาดโยงก็คือตักบาตรใส่น้ํากันพระข้าวเปียกเต็มบาตรมากระสินุน ก, กันไหญ่ใส่ถุงมาบางทีจะใส่ถุงมาใส่บาตรถุงแตกมาเปิดบาตรมีแต่น้ําแกงก็ถูกละลายน้ําหมดเลยคือไม่ใช่ไปขโมยด้วยไม่ใช่พอดื่มน้ําแล้วก็ขโมยแก้วน้ํำไปด้วยอย่างนี้อย่างนั้นแต่บางทีก็ ทำสกปรกหรือบางทีก็ทําแตกจิต ใ, ใจคนมันหยาบเรามองดูถึงคนที่ตั้งใจบาเพ็ญกุศลสาธารณะที่จริงยังมีมากเลยเกินนะแต่มันกลัวที่ไม่กล้าทาเนี่ยไม่ไม่ใช่รังเกียจบุญเดี๋ยวมันกลัวกลัวจะตัวเองจะเป็นอันตรายเช่นะคนตกรถโบกรถหรือคนประสบอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าไม่น่ากลัวแล้วก็น่าช่วยนะแต่ยิงปัจจุบันมันเป็นภาพที่น่ากลัวบางทีก็แกล้งทำเป็นเกิดอุบัติเหตุอะไรมาสาดสาะเลือดแดงไอเ ห, หมือนก็เลือดแดงๆบาคนลงไปช่วยไปปลดด้นจะเลยอไรแเนี้ยต่โบกรถก็มีลักษณะอย่างกันพอขึ้นมารถแล้วก็ไปจี้ไปปล้นเขาเนี่ยทำเพรากลัว เพราะันคนพฤติกรรมชั่วร้ายตั้งหลายในสังคมปกตีมันก็ไปตัดรอนการกระทำความดีของคนที่อยากจะทำความดีแต่ก็ไม่กล้าทำโดยอย่างหนึง่งนึกถึงภาพเมื่อก่อนนะภาพที่ว่าสั ง, สงคมไทยนี่อย่างไรก็ไม่อดตายเนพะ่าจนแสนจนจ น, จน ส, สาหัสสาคัญที่สุดเลย มันก็มีสามารถที่จะอยู่โดยการกินข้าววัดนอนศาลาห่ผมผ้าผีอยู่ได้นะไม่มีข้าวกินก็กินข้าววัดไม่มีที่นอนก็นอนศาลาไม่มีผ้าจะนุ่งเกี่ยวโคมก็ห่มผ้าผีผ้าก็คลุมลงเมื่อก่อนน่ก็คลุมลงเราก็ซักเก็บพับไป้ที่วัดเยอะเลยก็ออกมาให้ ใครจะพักผ่อนก็เอาไมา้นุ่งให้ผมได้แต่ปัิบัติปัจจุบันในพระไม่กล้าให้คนพักน้บางทีบีบคอเอาอันนี้คือคือคือว่าวัดซึ่งเคยเป็นที่ที่มั่นใจว่ามันมีคุณอุปการต่อสังคมส่วนเดียวก็กลัวรวนแรยเพราะมีพระถูกบีบคอบา่อนถูกฆ่าอะไรจับมัด สังคมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจิตวิญญาณมันตกต่าความคิดเดิมลักหลักธรรมเดิเดมที่พระเจ้าสอนไว้บางทีคนอยากทำนะฮะ ท, ที่จริงตรงนี้เราจะเห็นว่าทำไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าขยาดกับความเลวร้ยรายของสังคมบางทีคนก็ไม่กล้าทำอีกก็ต้องการนอมเ็นกุศลสาธารนณะพัฒนาป่าปลูกป่าเอาไว้เอาไม่เทาไร่พวกไปตัเดเรียบ นี่คือคือคือสิ่งที่มีปัญหาทีนี้ทำยังไงอย่าให้มองสิ่งเหล่านี้มีปัญหามันก็มองถึงถึงเรื่องหนึ่งที่คือพระหมหากระสปะมีบาติกาท่านหนึ่ง ท, ท่านท่านทบุญด้วยข้าปอกถวายตักบาทพระหมหากระสาปันะแล้วก็งูกัดตายได้เกิดอะไรตายเนะี่ยแล้วลอกขึ้นมาได้ แต่แล้วราลึกชาติได้ว่าโอ้ท่านท่านนั้นเกิดด้วยเกิดบนสวรรค์ด้วยบุญนิดเดียวคือแสดงว่าคงอยู่สวรรค์ไม่นานก็ต้องการอย่าเพิ่มบุญงานอเพิ่มบุญก็มาปฏิบัติวัฏฐานที่กุฏิประมากรตาปะเวลาท่านออกบินตบาตก็มีมาจัดสถานที่อยู่ที่อาศัยเรียบร้อยปับป่าเรียบร้อยจัดวางข้าวของเรียบร้อยท่านเกิดสงสัยเอ๊ะใครมาจัดเลย พระมาก็จับได้ท่าก็ลาให้กลับไปยู่แม่มายุ่งนั้นทัศนีดาท่านก็เสียใจนะฮะท่านต้องการจะมาทำบุญแต่พระมากรต่าบอกไม่ได้คนมาเห็นข้าอเป็นที่รังเกียจเลยพระเจ้าก็มาตัดสินนะฮะพระเจ้าว่าการกระทำบุญเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการบุญการสารวมระวังเป็นเรื่องของเธอ อยูคนละเรื่องคนละเรื่องคนนำบุญก็ทำบุญตำรวจระวับบงคนลเรื่องอนตื่นคนละเรื่องกันตรงนี้ถ้าเรามองในแง่นในแง่ของกรรมเดี๋ยวท่านจังหลายจะเห็นว่าหน้าที่ของเราที่เราทำก็คือเราทำคนอื่นทำก็คือคนอื่นทำคนละเรื่องถ้าเราเชื่อมโยงกันในเราทำอะไรไม่ได้ ยัมีคนเคยตั้งเขาสังเกตว่าที่มาแจกหนังสือในวันก่อนในะรู้รักสามมาังกรเนี่ยโยมน้ราภัยอ่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อะคือเราไม่ไติดใจตรงนั้นบางคนเราเรื่องหนึ่งถ้าถือว่าแจกแล้วโยมต้องอ่านถ้าโยมไม่อ่านเราไม่ทําเราไม่แจกเราก็เลยไม่ต้องทำํำบางคนเราเรื่องเราเสร็จแค่แจกภารกิจของเราก็จบตรงนั้นนหะจบตรงนั้นเอง โยมรับไปแล้วไปอ่านหรือไม่อ่านก็เป็นเรื่องของโยมอ่านแล้วโยมจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องโยมสามังคีหรือไม่สามังคีก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกันเราต้องแยกตัวเองเดี๋ให้ออกถ้าจะเอาไปเชื่อมันมากๆากมันจะมีปัญหาเหมือนกับตักบาตไท้พระจะฉันหรือเปล่ามื่อเห็นท่านรับบาตรเยอะมากมากเลยเกินของเราจะฉันหรือเปล่าไม่รู้ก็มีอาหารดีๆคงจะไม่ฉันไม่ก็ไม่ต้องคิดคนละเรื่องกันหน้าที่ของเราก็คือเสร็จตอนอาหารลงในบาตเสร็จแล้ว เราจะกรวดน้ำมูทิดกุศลนี่ทําอะไรก็เสร็จแค่ตรงนั้นไม่ต้องตามไปดูว่าฉันหรือไม่ฉันนะคนเราเรกภารกิจตรงไหนเสร็จคือเสร็จตรงนั้นอย่าเอื้อมถ้าใจเอื้อมเราจะยุ่งจะไม่ต้องทาอะไรกันเลยผลแน่ที่รพธธระเจ้าท ร, รงวางเนี่ยครับเราจะเห็นว่าการการทำบุญเป็นเรื่องเขาพูดต้องการบุญแล้วก็บุญก็เรา อ, อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เสร็จละ มีเจตนามีการกระทําก็จบแล้วแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นก็เป็นผลที่เป็นรู ป, ปรวัตถุคือสิ่งที่เราทํอย่างปลูกต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่เราปลูกผลทางใจของเรามันไปเกี่ยวเนื่องกับเจตนานะฮะท่านท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่ า, าพระเจ้าทรงแสดงว่าประสบบุญตั้งแต่กลางคืนกางวันเป็นเพราะพวกนี้มันเป็นกุศลสาธารณะนะ แล้วในรูปของทานเนี่ยมันมีเจตนาตามการนะครับคือก่อนให้ก็นาให้ตัวนี้หลังให้นะต้นไม้เนี่ยก็หลังจากให้แล้วก็นานนะเพราะว่ามันกันอยู่นานเพราะคนบริโภคใช้สอยเราเห็นเรารู้เราได้ยินเนี่ยเราดีใจเราเกิดปีติประโมด ป, ปีติรูมันก็เป็นสุขใจนะสุขใจก็เป็นบุญนะที่บอกว่าสุขเกษต่างอันที่ว่าเป็นนางเนี่ยคำว่าบุญบุญนี้ก็เป็นชื่อความสุข นั่นก็คือกระบวนการทางจิตที่สืบเนื่องมาจากกุศลเจตนาก็มีการปลูกไม้ดอกไม้ผลปลูกไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็สร้างโรงบ่อน้ําสร้างโรงบ่บ่อน้ํลาลําธารอะไรต่วอะไรนะฮะแล้วก็ให้ที่พักอาศัยที่พักอาศัยอาจจะเป็นศาลาอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวอาจจะคือเสนาสนะทางสรุปเสนาสนะทางนะคร เจ้าสนาคที่พักอาศัยก็ไม่ไม่จําเป็นเลยต้องเป็นเป็นวัดนะฮะอะไรก็ได้น ะ, ะเป็นที่พักอาศัยเขาเรียกวุปโภคคือเครื่องใช้สอยทั้งหลายเออแล้วก็สร้างสะพานสร้างสะพานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการกระทําที่ที่นิยม ก, กันมากบางกันคือสาธารณุปโภคแต่เราสังเกตว่าพวกนี้จะเป็นสาธารณูปโภคทั้งหมด ต้ไม้ที่ให้ดอกผลแล้วก็ตดไม้ที่ให้ร่มเงาการสร้างสะพานบา่อน้ำสระน้ำถนนลู่ทางะอะไรตนะ่างๆเนี่ยทั้งหมดคือสรุปรวบภาษาถนนพวกเกีเยวทิให้ประสบบุญคือความปีติปราโมทย์ความสุขใจทั้งกลางเกิดและกลางวันทุกครั้งที่มีการริภพใช้สอยสถานที่เหล่านั้นเราก็ได้บุญ ที่มีการพกใช้สอยซึ่งตรงนี้มาเคยเค ย, เคยมองมานานแล้วกันว่าทำไมทำไมว่า LEGO? สังคมพอทเราไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะมันทั่วโลกแล้วแม้แต่คริสต์อิสลามก็เหมือนกันพรามเองก็เหมือนกันคือชอบสร้างฮะชอบสร้างาศาสนสถานเพราะาศาสนสถานนั้นมันเป็นเ ส, สะนาสนสถาน แล้วก็ตัวเองก็เห็นตลอดชีวิตที่อยู่ลูกหลานก็เห็นลูกหลานก็ได้สืบต่อได้เกิดปีติปราโมทย์ได้เกิดความภาคภูมิในการรักในการสืบสารวัดตระกูล น, นั้นตระกูล น, นี้นะอย่างๆรักษ า, าการเป็นตระกูลตระกูลก็ทําทําให้ได้มีการปฏิบัติสืบต่อในสายของศีลธรรมจันดาก็เรียกว่า บุญที่ให้มนุษย์สมบัติสวรุคบัตนะวันก่อนในพบหนังสือเจ้าคุณอุบาลีเจ้าคุ ณ, าคณมาเลย์ถามพระอาจารย์มั่นนะนะฮะแต่ยังยังยังยังจะจะขออ่านก็ ย, ยังยังอ่านไม่จบไปอ่านหน่อยนท่านถามพระอาจารย์มั่นว่าคนส่วนใหญ่นี่ยทาบุญทำบุญระดับใดมากท่านบอกว่าทำบุญระดับ กลาวม า, วาจรเนี่ยนะหมายความว่าต้องการสวรรค์นี่มากอย่างดีก็แค่ก็แค่ก็แค่ก็แค่สมาธิแค่สมาธิเมื่อเกิดเป็นพรหมนะฮะถามมาทำไมทําไมจึงไม่มุ่งนิพพานทําไมจึงไม่ต้องการนิพพ า, านพระอาจารย์ท่า น, นตอบบอกคนนั้นมีเพราวะว่าตัณหาคือติดในภพนะฮะติดในภพอยากก็นิพพานไปอยากเอนกันไปอยาก แยากมีเมืองนิพพานอยากจะมีมีแดนนิพพานอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ถ้านิพพานเนี่ยมันว่างจากตัวจากตนไม่มีที่ไม่มีชีวิตเรารู้สึกมันไม่สนุกคนก็ไม่ค่ชอบเพราะงั้นบุญส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปที่ไปที่สวัสค์แล้วก็อย่างประนีตขึ้นไปก็ไปที่พรหมเพราะพรหมมันมีภพนะฮะมีภพมีภูมมีที่อยู่มีการสวยความสุขมีผู้สวยความสุข เรามีตัวมีตนมีของตัวของตนอยู่พอทสงควรแต่นิพพานมันไม่มีอะไรก็เลยคนก็ไม่เคยชอบเพราะแน่แน่หล่านี้จึงเป็นการสะพรว่าพวกทานาวัตถุทั้งหลายเออที่ทำกันทุกศาสนามันก็แนวนั้นคือหมายความว่าก็เพราะจะติดใจในภพคือต้องการสวยผลจากการกระทําความดีหล่อนั้นทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ในชาติต่อไป ทีนีออ้ทำไมจึงบอกว่าไปตั้งอยู่ในธรรมตลอดสังเกตว่าเป็นการพูดถึงความสืบต่อคือหมายความว่าเร า, เร า, รา เ, เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างความคิดเรื่องมาคมโนบไปนะฮะความคิดเรื่องมาคมโนบเนี่ยท่านท่านเริ่มจะเห็นคนไปยืนอนุญามันร กลักลัวงูจะกัดเขาก็ไปตกแต่งพื้นที่ตรงนั้นให้มันมันมั น, ม, นมันปลอดภัยจากอัรตายก็ทำคนเดียวนะคระับเห็นคนชอบเห็นคนชอบพอต่านทาแล้วคนมายืนท่านืออคนก็ต้องการแล้วก็ตั้งทำใหญ่เลยคนเดียวมันแสดงกุศลมันเพิ่มขึ้นโดยการเห็นผลที่เรากระทาในครั้งแรกและครั้งต่อๆไปยมันเห็นผลว่าเป็นที่พอใจชอบแต่งคนอื่น ก, ก, ก็ก็อยากทาเรื่อยๆไป แล้วคนอื่นที่เห็นมันก็ชื่นชมเออเราก็ได้ทําเป็นประโยชน์รู้สึกสุขใจที่เห็นก็ได้ยืนแล้วก็ปลอดภัยไม่งูไม่กัดเอาไม่เป็นอันตราย <Hey. S 1> ทีนี้พอสร้างเป็นถนนก็เห็นคนเดินเห็นคนเดินเออก็เป็นประโยชน์คนสบายก็ปลอดภัยก็ไม่ต้องลุยน้ำลุยโคลนไม่ต้องหลบหลุมบ่อฝากน้ําต่างๆตัวเองรู้สึก มันน่าจะพักนะมน่าจะมีที่พักเห็นมัคิดต่อไปคนก็เดินมาเหนื่อยอาจจะหยุดพักแล้วไม่มีที่นั่งพักพักแล้วไม่สบายเดี๋ยวไปาักาลาดีกว่าสั่งสลาแล้วก็ได้พักในเต็มที่พักแรกพวกคงหิวหนะ้างหิวหนะ้าะเอาก็ต้องลงว่านั่งสลาของใครแผ่นกระดาษของใครคนนั้นเอาไปเลี้ยงดูแลกันทีนี้นังสุธรรมมาสจิตาสุธรร ม, รมก็คิดต่ อ, อจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็น ชอฟ้ากลายเป็นสวนกลายเป็นสะขึ้นมานั่นคือมันเริ่มจากกุศลก็ได้ดก่อนและเห็นผลจากการกระทำเหล่านั้ น, ม, นมันเกิดอิทธิบาทสิ่ขึ้นมาคือเกิดชั้นทะพอใจในสิ่งที่กราทาแล้วก็ก็อยากจะทําต่อไปเพราะมันเป็นประโยชน์มากๆเลยเกิดความเพียรเกิดความมุ่งมัน่นเกิดความคิดที่จะทําปรุงมาเรื่อยๆจิตใจมันยินดีในธรรม โดยอาศัยสัมผัสตรงของตัวเองนะฮะก็ตำนองนคล้ายรับประทานอาหารนี่ยตีกยกตัวอย่างว่าพอเราชิมแล้วมันอร่อยอ่ะจึงแล้วเราก็เลยก็เราอยากจะชิมต่อไปจึงแสดงว่าเป็นผู้ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมหมายความว่าชนชนเนี่ยชนชนพวกที่ปลูกต้นไม้เพื่อดอกเพื่อผลเพื่อลมเงาพวกสร้างสะพานให้บ่อน้าแล้วก็ พระเจ้าใส่น้ําสาธานุโภพกทั้งหลายก็ตั้งในธรรมธรมนี้ที่เราเห็นได้ชัดมากก็คือความไม่ตาความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามความชื่นชมในความสุขที่คนอื่นได้รับไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่เราสังเกตว่าคนเราเวลาเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขเนี่ย ถามเราชื่นชมได้หมดไหมไม่ได้แล้วมันมีลิสยาอยู่เยอะเห็นไหมว่าเวลาคนได้ดีมีสุขมีความเจริญในความก้าวหน้าเนี่ยบางทีเราก็เราก็ไม่ได้ความสุขอะแต่เรากลับไปลิสยาทีนี้ถามว่าทําไมเราชื่นชมได้มันก็กลับมาถามว่าทําไมเราจึงชื่นชมได้เราเพราะเรา รักมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์แบบความคิดของท่านท่านท่านมคามนุษย์เนี่ยท่านรักมนุษย์ดังนั้นท่า น, ท, านท่านหลายสามารถจะดูใจเราเองได้นะฮะว่าใครก็ตามที่มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยถ้าคนนั้นเรารักถ้าคนนั้นเราเมตตาคนนั้นเราเคารพเรานับถือเราดีใจนะฮะเราชื่นชมเราชื่นชมในการได้ดีมีสุขของท่านถ้าเราจะต้องการเราก็พยายามขวขวายพยายามทำ จะไม่ริษยาดังพื้นพื้นฐานจิตที่มีต่อสิ่งที่เราทํากับคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำเนี่ยจึงมีความสําคัญหมายความเราต้องเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์และเราเกลียดชังเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็ทําไม่ได้นะพอคนที่เราไม่ชอบมานั่งปั๊บเราโกรธทันทีเลย นะฮแทนที่จะเกิดปีติพระพุทไม่ยอมเกิดอ่ะไม่ยอมเกิดแล้วกลัวเขาจะมานั่งเลยไปรู้จักเลยเห็นไหมฮะแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลมันไม่เดินใจมันไม่ยอมเดินอ่ะทังทางทางาศาสนาจริงเต็มที่เมตตาเพราะว่าเราทําอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับคนอยู่เลยอ่ะถ้าเรายังเกลียดคนนั้นคนนี้พวกนั้นพวกนี้พวกโน้นแล้วเราเราเอาไม่ได้เราทําไม่ได้ เพราะฉันจะต้องมีความรักสากลหม้ความรักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดเกิดเจ็บตายด้วยกันอย่างไม่มีอะไรสมมติเราทำสาธารณะประโยชน์ไว้ปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะสร้างสาลาสร้างบ่อน้ําสร้างอะไรก็ตามคนที่เราไม่ชอบมาใช้สอยสถานที่นั้นรู้สึกเฉยๆได้ก็บุญน่ยนะฮะอยา่าโกรธ อย่าลังค า, อ ย, าอย่าแสดงความไม่พอใจเพราะว่าทำให้บุญกุศลของเรามันเสือ่อมไปเปล่าๆแต่ถ้าเราเฉยๆไว้บุญไม่เพิ่มก็ไม่ลดนะนะบุญไม่เพิ่มก็ไม่ลดแต่จริงถ้าเฉยๆไว้มันก็เป็นนุเกขาเป็นปัญเพรา ะ, ะความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมต่อคนต่อสัตว์นะที่บริโภคใช้สารสิ่งเหล่านั้น เรามีความเมตตามีความรักแล้วต่อต่อสถานที่หรือต่อสิ่งตรงตัวนี้ก็คือต่อต่อป่าต่อป่าไม้ต่อต้นไม้ให้ดอกให้ผลให้ร่มเงาต่อต่อสะพานต่อต่อบ่อน้ำอะไรต่ออะไรพวกพวกพวกนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างที่พระกอาศัยอะไรเนี่ยเป็นตัวอย่าง พูดมองมองรวมรว ม, ม, มว่าเป็นสาธารณูปโภคนะเป็นเครื่องอุปโภคแล้วก็เป็นมีลักษณะเป็นสาธารณูปโภคคือบริโภคใช้สอยร่วมกันบริโภคใช้สอยร่วมกันตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชธรรมดานะฮะยากมากกลยมาเคยไปต่อสู้สมัยอยู่ต่างจังหวัดเราพัฒนาขุดคลองเชิญชวนรัฐฎรนขุดคลองนะนะโยโงแกไม่ให้อ่ะ ไม่ให้ที่ดินแม่ผ่านเนที่ดินต้องนั่งคุยกันว่ามันไม่ได้พวกโน้นมันได้ด้วยว่าถ้าคนโน้นไม่ได้โยงก็ไม่ได้สิมันก็ต้องผ่านด้วยกันแน่น่ะแกกลัวพวกต้นน้ําจะได้ฮะแกอยู่ที่ปลายน้ําน้ำไม่ต้องผ่านมาจากต้นน้ําบอกว่าถ้าคนโน้นไม่ได้โยงก็ไม่ได้ด้วยเมื่อคนโน้นได้โยงก็ได้โยมโยมโยมจะไม่ได้เลยถ้าคนโน้นก็ไม่ได้เพราะน้ำไม่ต้องผ่านมาจาก คมกอต้องอธิบายลากกลองครองกแกด้วยนะแกจะเอาคนคนเดียวเขาเอาได้ยังไงไม่ใช่น้ําอยู่ในไหเนี่ยน้า ม, มันอยู่ในคลองอะน้ําในไหก็โยงก็แบกมาไห้ e. มาวางที่บ้านแต่นี่น้ํามันไหลมาคลองก็ต้องผ่านบ้านคนขนุ่งก่อนดต้องนั่งเฉียงต้องนั่งอธิบายกันลากคลอ ง, ลงแต่ละคลองได้นี่โอ้ยเหนึอหน่อะไรอย่างพูดกันไม่รู้เรื่องพวกคนมันก็นึกถึงตัวเองมีเพื่อนปลายปลายคลองมันงแกเกลียดอ่ะแเกลียด ต้นคลองบางทีเกลียดที่ต้นคลองบางทีเกียดที่ปลายคลองแล้วก็อยู่ตรงกลางอ่ะคุดมาแค่บ้านแกก็ได้เรียกว่าเลยไปตรงน้อยไม่ได้อเลยตรงนู้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นคลองอ่ะสิเรต้องการให้เป็นคลองด้วยคุณก็ต้องต้องพูดกันหลายเรื่องอนะอธิบายกันพูดยากมากแต่ถ้าพูดพอเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาทํำยังไงว่าพูดได้เขา้าใจให้รู้สึกว่าเขาได้ก่อนเพราทําปกติคนเรา คนแถวใกล้ๆเนี่ยเขาบักทะเลาะ ก, กันนนะทะเลาะ ก, กันไม่ไม่แบบไม่ท้ายบ้านก็บข้างๆบ้านไม่อย้ายบ้านก็ปลายบ้านนี่ยทะเลาะ ก, กันตอนยังไงจึงจะสร้างความรู้สึกเป็นพวกกันแล้วเราก็ทําได้นะสร้างถนนตัดคลองเนี่ยจะจะง่ายมากแต่ถ้าเราพูดกับเรื่องเระจบเลยนิดเดียวก็ติดล่ะนี่ก็คือน้ําใจที่มันมันจะต้องมีต่อคนด้วยกันเพราะถ้าเราทําอะไรขึ้นเนี่ย แน่นอนคนอื่นต้องมาต้องมาใช้สอยแต่ถ้าเราเกลียดคนแล้วเราก็ใจเศร้าหมองทุกทีที่เขามาก็มานั่งไงนะเขามานั่งก็มาใช้สอยนี่สาลาของเราในคนนี้มานั่งบางคนสร้างวัดไว้แล้วถวายพระเสร็จแล้วยังเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเเป็นเจ้าข้าเจ้าของนั่งรำคาญไปแล้วเนี่ยเต็ที่จะเกิดปีตินะเราต้องปีติหมดเลยหมาเข้าไปอาศัยเราก็ต้องปีตินกเข้าไปเกาะเราก็ต้องปีติต้องต้องเกิดบุญอย่างนั้น นยยะที่ทรงแสดงเนี่ยมันความมันแสดงอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเกลียดคนหรือเสียดายของนะฮะเกลียดคนหรือเสียดายถ้าเราเกลียดคนเราจะเสียดายของที่จริงมันสัมพันธ์กันถ้าเรารักคนเราจะไม่เสียดายของคนนั้นใช้สอยคนนั้นบริโภคเราไม่เสียดายเราดีใจคนนี้เราเกลียดเราเกิดจะเสี ย, สยดายดของเลยมันจะเสียทั้งสองอย่างเพราะั้นคนกับของเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้สึกสาคัญ คนนั้นเรามีทานนะนะของนั้นเรามีทานมีจะฆาตเจตนามีการเสียทรัพคนนั้นเรามีเมตตาเห็นไหมคืออะไรฮะหมายความว่าของนั้นเราขาจัดโลภะคนนั้นเราขจัดโทสะเพราะเราปัญญาพิจารณาเห็นปัญญาที่พิจารณาเห็นก็ขจัดโมหะตกลงว่าเออจะสวนป่า สวนดอกไม้สวนผลไม้สวนร่มเงาสร้างสะพานบ่ อ, บอน้ำแทงน้ำแล้วก็ที่พักอาศัยใหญ่ๆล้วจะเล็กก็ตามนะฮะนั่นคือความเสียสละเป็นธาเป็นจ า, าเรเจิตนาจตนาเสียสละให้เป็นสาธารณประโยชน์เพราะสาธารณช้คนที่เราไม่ชอบก็คือสาธารณชนเหมือนกันนะัะ เราก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมองเขาด้วยเมตตาเลิกเลิกก็จะเดินได้ก็กลายเป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมทีนี้พกความิดีในธรรมเนี่ยมันเป็นบันไดแล้วมันเป็นบันไดที่จะขวนขวายเพิ่มพูนความดีเหล่านั้นขึ้นนะอย่างาทพระเจ้า ท, ทรงแสดงไวในประาราะวาสูตรที่เทวดามากราบทูนถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ คุยว่าบอก่็รู้ได้ง่ายคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดใคร่ทาก็เป็นผู้เจริญคนใดชังทาก็เป็นผู้เสื่อมไอ้ตรงนี้ใจเดี๋มันใคร่ทรมันเดินมาตั้งแต่ปลูกป่าปลูกป่าไม้ดอกไม้ผลร่มเ ง, งาก็สร้างสะพานขยายมาเรื่อยๆแล้วก็น้ำอาด้ำดื่มแล้วก็ที่พักอาศัย ก็อยู่ในโครงสร้างเดียลวกับของท่านของท่านมคราวนุปใจก็เพิ่มปูนธรรมะเพิ่มปูนความเสียสละขึ้นมาเรื่อยๆจะทำให้การรักษาศีลของท่านมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้ น, นสมบูรณ์ระดับใบระดับระดับแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ศีลของใครเราเอาศีลห้าสมบูรณ์ก็บุญแล้วทำยังไงให้ศีลห้าสมบูรณ์ได้ เพราะมันก็สุดยอดแล้วนะฮะสุดยอดของศีลนะคนเราขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีศีลห้าสมบูรณ์นะั่นเองโลกมันก็เป็นสวรรค์น้อยๆ น, นะเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวทไม่มีไฟไม่มีอันตรา ย, ไ ม, มยไม่มีเบียดเบียนกันแล้วเทวดาก็ถามทุกไปสวรรค์ก็ไม่รู้ประวัติเทวดาตนนี้นะฮะ ไม่รู้ประวัติเทวดาตันนี่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านถามจากประสบการณ์กําทัญนเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งว่าที่ท่านบังเกิดในสวรรค์นเนี่ยเพราะสาฐานะกุศลหล่อนั้นแต่ว่าท่านก็ไม่เล่าย้อนประวัติถึงเทวดานะก็เล่าแต่เพียงว่าเทวดามากราบคูณถามก็เทวดาก็เห็นจริง เป็นการใช้ประสบการณ์ตรงเรื่องสวรรค์คือเรื่องสวรรค์นี่พูดหน้ากับเทวดากับผู้เคนี้ก็จบแล้วนะเพราะเทวดาเขาอยู่สวรรค์อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดว่าอยู่ที่ไหนรูปร่างเทวดาอย่างไงไม่ต้องอธิบายถามถึงตัวเหตุเพราะทั้งหลายลองลองสังเกตนะเทวดาจะไม่ถามถึงความมีสวรรค์ความมีเทพบุตรความมีเทศิดา การอยู่สถานที่อยู่ของสวรรค์แต่ถามถึงเหตุที่ให้ไปบังเกิดในสวรรค์เท่า น, นั้นจะไม่ถามเรื่องอีกแสดงอะไรแสดงว่าท่านรู้เรื่องสวรรค์ท่านรู้เรื่องนะกรกสรุรู้เรื่องพรหมโลกอยู่แล้วว่าทํายังไงนะ่ะเหตุอะไรตีทําให้คนไปบังเกิดในสวรรค์ตรงนี้พระเจ้าก็แสดงถึงกุศลมาโดยลำดับเท่า น, นั้นหลายจะเห็นว่ามันก็มีหมดเลยมีทานที่เป็นเสนาสนะทาน เป็นที่อยู่อาศัยในการปลูกป่าต้ตนต้นไม้โทสาก่างๆพวกนะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็มีศีลทีนี้แต่ละอย่างที่จริงมันก็เป็นเหตุสวรรค์อยู่แล้วพวกพวกพว ก, พวกข้างต้นที่กล่าวมามันก็เหตุสวรรค์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําให้มั่นคงขึ้นแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุเกิดในสวรรค์ด้วยกันนะ แต่ทีนี้เมื่อเรามีพร้อมมันทำให้อายุชิพคือการมาเกิดในสวรรค์มันก็อยู่มังเกิดนานขึ้นและมีอะไรล่ะอายุวันนาสุขภาระยศอธิบดีรัศมีบริวารอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้สิบอย่างเนาะมันมีมากกว่าคนอื่นที่แน่นอนที่สุดที่เราเห็นได้ก็คือมันให้สวรรค์ภายในใจเรา คืความสุขใจความปิติประโมทที่เราเห็นอะไรก็ตามของเราที่มันเป็นประโยชน์แก่เขานะฮะเป็นประโยชน์แก่เขาคือบางบางทีในเราเราก็ได้สักอยากนะ่างอย่างเ้ยได้สักอยาก่างได้สักคนอย่างหนังสืออะไรซองสิ่งสงสัยตอนสิ่งสงสัยเนะี่ย มีมีคนไทยที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกามีคนก็ฝังหนังสือส่องสิงสงสัยปันปัญหานะฮะเล่มปัญหาเนี่ยแล้วแกไปอ่านแกเป็นชาวพุทธที่ไม่สนใจในศาสนาพุทธดี๋ยวค้นมาจากเข้าคลิปนะฮะเป็นนักเรียนนอกเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพุทธอ่านเล่มนี้เล่มเดียวแกบินมาจากอเมริกาเนี่ยบินมาจากอเมริกาเพื่อมาพบหลวงา่อ มีใจมากที่ได้อ่านหนังสือเล็มนี้แล้วก็กลับความคิดแต่หนังสือเล่มเดียวนะแล้วเราก็อ่าหนังสือไปเยอะแต่เรารู้สึกว่าคนได้คนเราก็เป็นสุขสามารถช่วยคนได้กลับความคิดเป็นสมาธิิตได้นะแล้วเขาก็เป็นนักเตีอนนอกมีความรู้ดีแต่ว่าไม่สนใจาศาสนาตัวเองแล้วค่อนค่อนไปทางไม่เชื่อค่อนไปทางไม่เชื่ออ่านม า, มาแกแกมาคุยเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวนะ คุยแล้วไปเจอใครเรคุยแต่คาถามในหนังสือเนี่ยเองเดียวนี้ก็คือสุขใจว่าเราได้ช่วยคน้นาดนี้แล้วแกก็พยายามติดต่อมาคนคนหนึ่งเป็นนายทหารอากาศนายยักเรียนนอกเหมือนกันนายครูมาติดต่อหลายครั้งจะมาพบอาตมาเพื่อมากราผมไม่ต้องกราประการพระพุทธรูปที่บ้านนะแต่เราก็รู้สึกเป็นสุขที่ที่เราที่หนังสือของเรา เร่มหนึ่งหรือว่าเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งอะไรนี่นะที่ช่วยให้แสงสว่างที่ถูกต้องแก่คนได้ถามเราได้อะไรก็ได้ความสุขใจกบพอแล้วนะฮะกูไม่ต้องไปเอาอะไรมากอย่าไปคิดอย่าไปคิดจะเอามากๆเพราะเอามากๆมันเป็นโลภะบุญนั้นมันเป็นความสุขเป็นความสงบใจการทำอะไรที่เกิดความสุขความสงบใจได้เนี่ยการกระทานั้นก็เป็นบุญแล้ว ส่วนอย่างอื่นเป็นเรื่องปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องมาจากบุญที่จะอำนวยผลให้เพราะฉนสวรรค์จริงมันเป็นผลที่สืบเนื่องซึ่งซึ่งก็เราก็ได้สุขใจคือสวรรค์ทางใจก่อนล้วจะได้สวรรค์ในชาติต่อไปในภายหลังวันนี้ก็ขอจิตไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมงมีแด่ท่านสาวชนหลายโดยทุกการทุกท่านเือน